มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญห า, า, ญหาตติยวั์พุทธศ า, าจารรยานาจาริยะปัญหาที่เก้าถามว่าเดิมตถาคตไม่มีใครเป็นครูอาจารย์สั่งสอนเหตุไรภายหลังตรัสว่า พระองค์ได้เล่าเรียนในสำนักอาลาระดาบทและอุทกกะดาบทเล่าราชาสมเด็จขัตติยนรินมิลินเลิศกษัตริ์มีพระบรมราชโอการตรัถามอัตปัญหาอันอื่นสืบไปว่าพันเตนาคเสนาข่าแต่พระน า, าเกษตผู้เป็นเจ้าผู้ประกอบด้วยปัญญาปรีชาพาสิตังเจตังพะกวตาพระพุทธดีกานี สมเด็จพระมิ่งโมลีโลกกนาตมีพระพุทธดีกาตรัสประภาษไว้ว่าภิกขเวดูราณะภิกษุทั้งหลายตถาคตนี้ไม่มีใครที่จะเป็นครูบาอาจารย์สัิโสเมนะวิชิติหาผู้ใดที่จะรู้ปูนปานเปรียบไม่ได้ในมนุษยโลกเป็นเอกเป็นโสตปุณะจะมาอีกเล่าตรัสโปรดว่า พิกเวดูรานะภิกษุทั้งหลายอาราโรกาลามโมอารารดาบทกาลามโคตเป็นอาจารย์พระตถาคตตั้งไว้ซึ่งพระตถาคตว่าดีเสมอแล้วกลับบูชาตาถาคตโดยโอลารบูชานี่แหละสัทธะว่าพระองค์ไม่มีครูบาอาจารย์หาผู้ใดจะปูนปานไม่ได้มั่นคงกระนั้น ก็พระพุทธดีกาที่ตรัสว่าพระองค์เป็นสิทธิ์ของอาลาระดาบทกาลามโคดคำนี้ก็ผิดแม้จะเชื่อว่าพระองค์เป็นสิทธิ์อาลาระดาบทกาลามโคดนั้นพระพุทธดีกาที่ตรัสว่าพระองค์หาครูบาอาจารย์ไม่ได้ก็ผิดอยังปัญโหอันว่าปริศนานี้อุพโตโกติโกเป็นอุพโตโกติ นิมนต์วิสัชนาในการบัดนี้พระนาคเษนมีเทระวาจาว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกอนา ศ, าศาสดาจารย์มีพระพุทธดีกาโปรดประทานไว้ว่าภิกขเวดูรานะภิกษุทั้งหลายผู้ใดใครผู้หนึ่งจะได้เป็นครูบาอาจารย์หาไม่ได้ตถาคตนี้จะมีผู้ใดเสมอไม่ได้ อัปปติปุกคโลหาผู้ใดจะเปรียบไม่ได้ครั้นมาใหม่ตรัสว่าอาลาระดาบทการามโครเป็นอาจารย์นั้นและคำนี้พระองค์ตรัสหมายความที่อาลาระดาบทการามโคตนั้นเป็นอาจารย์ของพระองค์แต่ก่อนยังไม่ได้ตรัสแกพระปรมาพิเศกสัมโพธิยานยังเป็นโูธิสัตว์อยู่มหาราชะ ขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารอาจารย์ของสมเด็จพระบรมโลกานาฏเมื่อยังไม่ได้ตรัสยังเป็นโพธิสัต์นั้นมีห้าพระองค์พระองค์เสด็จไปอาศัยอยู่ที่อาจารย์นั้นกะตะเมปันจอาจารย์มีห้านั้นคือใครเล่าได้แก่พราหม์เท่าแปดคนมาถวายสวัสดีมงคลกระทำพิธีให้รักษาพระองค์เมื่อวันประสูตินั้น เรียกว่าอาจารย์เป็นประถมปุณะจะปรังยังอีกเมื่อพระโพธิสัตว์ค่อยจเจริญพระชนสสาสมควรที่ว่าจะเรียนศิลปาศาสตร์สมเด็จพระเจ้าสุโธธนะมหาราชทรงมอบให้พราหมู้หนึ่งชื่อสัพพะนิมิตอันรู้เวทมนต์และมงกลมโกฏิถาดอาจรู้คำพีพยากรมีชาติอันประเสริฐ แล้วเอาพระเต้าทองมาลังหลอน้ําลงเหนือมือแห่งพราบนั้นแล้วประธานโพธิสัตว์ให้พรามนั้นฝึกสอนนี่แหละจัดเป็นอาจารย์คํารบสองปูณะจะปรังอีกอาจารย์หนึ่งนั้นขอถวายพระพรได้แก่เทพเจ้าอันแปลงเพศมาเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายเทวทูตทั้งสามและเพศบรรพชิตเป็นที่สให้พระโพธิสัตว์มีพระทตรสลด แล้วเสด็จสู่มหาพิเนศสกรมนั้นจัดเป็นอาจารย์คำรบสามปุณะจะปรังมหาราชะขอถวายพระ พ, พรอ์บวชพิชพราชสมภารอีกประการหนึ่งเมื่อพระองค์ไปถึงสำนักอาลาระดาบทกาลามโคดและขอเรียนทางปฏิบัตินั้นจัดเป็นอาจารย์คำรบสี่ปุณะจะปรังอีกอาจารย์หนึ่งคืออุทกดาบทรามบุตร ซึ่งพระโพธิสัตว์เข้าไปถามถึงวัดตปฏิบัตินั้นจัดเป็นอาจารย์คำรบห้ามหาราชะขอถวายพระพร อ, อาจารย์ทั้งห้านี้เป็นอาจารย์สมเด็จพระมหากรุณาเจ้าบอกโลกียธรรมให้แต่ยังไม่ได้ตรัสจัดเป็นอาจารย์บอกโลกียธรรมต่างหากจะได้เป็นอาจารย์สมเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงสวัสดิภาพเมื่อได้ตรัสนี้หาไม่ได้ ประการหนึ่งจะได้เป็นอาจารย์สอนฝ่ายโลกุตระธรรมนี้แก่สมเด็จพระชินสีหามิได้เหตุฉนี้สมเด็จพระบรมไตรโล ก, กนาจึงมีพระพุทธดีกาประพาธว่าตถาคตจะมีครูบาอาจารย์สั่งสอนหามิได้บุคคลผู้ใดจะเปรียบเสมอสมานปูนปานกับพระองค์เจ้าหามิได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชา ทรงพระสวนาการฟังก็โมสสนสมนัตมีพระราชะองค์การตรัสว่าสาทุข่าแต่พระนาเกษตรผู้ประกอบด้วยยานอันปรีชาสัมปติฉามิโยมจะรับไว้เป็นข้อวัดตปฏิบัติสืบไปแก่กุลบุตรอันจะเกิดมาเมื่อภายหลังในการบัดนี้พุทธศาจาริยานาริยะปัญหาเป็นคำรบก้าวจบเพียงนี้